ทีนี้ต่อไปนะว่านักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุด น, นะะปัญญาชีวิงผู้ศึกษาพึงเนื้อศึกษาเนื้อความอย่างนี้ว่าบุคคลผู้บอดผู้มีตาข้างเดียวและผู้มีตาสองข้างทั้งหลายบุคคลผู้มีตาสองข้างนี้ใดเป็นเครือข่ายินดีในข้อปฏิบัติของเครือข่ามีการขยันทางาน ถึงสารณะจำแนกทานสมาทานศีลและอุโบสถกรรมหรือเป็นบนรรพชิตยินดีในข้อปฏิบัติสำหรับบรรพชิตกล่าวคือศีลอันทำความไม่เดือดร้อนหรืออันต่างด้วยจิตตวิสุธทธิ์เป็นต้นอันยิ่งกว่านั้นชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตอันเป็นอยู่ด้วยปัญญาของบุคคล น, นั้นหรือปัญญาชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นว่าประเสริฐที่สุดนะ ท่า น, นก็บอกว่าคารวาสก็ขยันทําการงานถึงสารณะจําแนกทานสมาทานศีลและอุโบสถกรรมหลายคนเนี่ยวันนี้วันอุโบสถพอดีเลยได้ทุกข้อเลยนะเนี่ยหนึ่งขยันทํางานก็ได้สองถึงไตรสารณะคมก็ได้เมื่อเช้าก็ใส่บาตรอีกตื่นมาสมาทานศีลอีกวันนี้อุโบสถสมาทานอุโบสถนะ อ, อนุโมทนาด้วยมีหลายคนเนี่ยที่ยมเห็น ข, า, ขาวๆเนี่ยวันนี้วันอุโบสถอะ่ะ นี่แหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะเป็นชีวิตที่พระ อ, องค์กล่าวว่าอยู่ด้วยปัญญาชุดนี้งามนะคือถ้าหากว่าท่านไปประเทศศรีลังกานะครับวันพระก็ดีหรือว่าวันสําคัญทางศาสนาก็ดีนะครับพราชาวศรีลังกาแต่งขาวหมดเลยครับทั้งหมดเลยน่าดูมากเลยนะเพราะฉะนั้นในคาถานี้ก็ถือว่าตอบไปแล้วนะว่าที่ว่า อะไรเนี่ยเป็นรัพย์เครื่องปลื้มใจที่สุดก็คือศรัทธาเป็นรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกพอศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุให้สําเร็จทุกอย่างแปลแบบธรรมดาเราก็บอกว่าคนที่เชื่อเท่านั้นแหละจึงจะทําได้อันถ้าหากว่าเชื่อสักอย่างเนี่ยมันสําเร็จได้หมดแหละสองธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนําสุขมาให้สัจจะคือความจริงนั่นแหละเป็นรถยังประโยชน์ให้สําเร็จ กว่ารถทั้งหลายใช่ไหมแม้แต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ยังเป็นรถเดียวคือวิมุตติรถวิมุตติรถก็อยู่ในประเภทของสัจจะเหมือนกันนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุดทีนี้ยักษ์ก็ถามคำถามต่อไปว่าบุคคลย่อมข้ามโอฆได้อย่างไรบุคคลย่อมข้ามอัถนพได้อย่างไรโอฆานี้หมายถึงโอสี่นะอัถนพหมายถึงสังสารวัตร อันนบมันนะก็คือห่วงน้ำมบุคคลย่อมล่วงทุกได้อย่างไรย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะมีสี่คำถามอีกพ อ, องตรัดตอบว่าบุคคลย่อมข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาเอศรันี่มีที่ผลมากย่อมข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทย่อมล่วงทุกได้ด้วยความเพียรย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาใช่ไหม อ่าย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรตรงนี้เนี่ยเป็นคาถาที่นักแต่งกระทู้ทำจะเอาบ่อยๆก็คือวิริเยณะทุกขมัตเจตินะร่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรว่างั้นเด็ดคือคือคำเหล่านี้นี่นะฮะถ้าเราไม่ศึกษาหรือว่าเราไม่ไม่เข้าใจธรรมะนะเราก็จะแปลง ง, ง่ายๆเลยนะเจนพานแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะเช่นการที่จะร่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเนี่ย จริงๆแล้วนี่นะครับไม่ถึงไม่ลึกมันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเราล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเนี่ยครับจนพรถ้าเพียรของพระก็คือสัมมปทานสี่ผู้ที่มีสัมมปทานสี่เท่านั้นแหละจึงจะล่วงจากกองทุกข์ในวัฏฏะได้อันไอเพียรของเรานี่ไม่ได้แปลว่าแปลว่าไม่หลับนะหรือแปลว่าขยันจังจนขยันแบบตื่นขยันด้วยโทสะอย่างเงี้ยขยันด้วยโลภะอย่างเงี้ยไม่เชื่อว่าเป็นเหตุให้ล่วงทุกข์ได้แต่ล่วงทุกข์ในที่นี้ก็คือ ความเพียรตัวนี้ต้องหมายถึงสัมมาประธานก็เหมือนกับพูดคําว่าสติเนี่ยนะสตินี้ต้องนึกถึงสติประฐานสี่นะทุกตัวนี้ก็ต้องหมายถึงสังสารทุกข์สังสารทุกข์ใช่ไหมครับเจนพแต่เรามาแปลเป็นว่าเออทุกประจำวันนี่นะเราก็จะล่วงได้โดยการขยันหมั่นเพียรแปลไปง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมครับเจนพร อ, อาจจะถ้าทั่วไปผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอัดที่ละเอียดก็จะแปลตามความเข้าใจพื้นเพอัธยาสายเดิมของตนเหมือนเราชอบแปลว่าอโรมคยาปรมาราภารู้สึกแหมมัน คล่องปากจริงๆ น, นะเอาไว้ขายยาได้เลยะนะความไม่มีโรคเป็นราบันประเสริฐหมายรู้สึกเข้าใจเข้าใจง่ายๆก็อย่างนั้นนะนะะตอบออกเลยนะนี่ไงตัวไม่มีโรคอย่งนั้น น, นั่นแหละตัวโรคอะ่คอะนะทึ่งบอกว่าบุคคลใดข้ามโอคะทั้งสีได้โอค่าสี่ก็คือประกอบคําว่าโอค่านี่แปลว่าท่วมทับเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ธรรมชาติที่ท่วมทับเบียดเบียนธรรมชาตินั้นชื่อว่าโอคะหรือธรรมชาติที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้จมลงในวัฏสงสารนะตัวที่สามารถยังให้เราเนี่ยจมลงในวัฏสงสารอันนั้นเรียกว่าโอคะโอคะมีอยู่4ประการด้วยกันหนึ่งกามโมฆะ น, นะความท่วมทับหรือว่าสิ่งที่ทําให้สัตว์จมลงคือกามกามที่นี้องค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิก ที่ประกอบกับโลภะมูลจิตทั้งแปดวง ต, ตัวนี้แหละที่ทําให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏจักสองทิถุขะทําให้สัตว์จมลงในวัตจัคือทิฐิทิฐิตัวนี้เนี่ยเป็นทิถิหกสิบสองหรือว่าสกายยทิถิทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏจัก็อะไรคือวัตตะจักขณะนี้เป็นวัตตะจักรไหมจากครูวิญญาณเนี่ยเป็น วิปากะวัตขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นแหละเป็นกรร ม, มวัตพอวิบากเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดกิเลสเรียกว่ากิเลสวัตเพราะฉะนั้นไอตัวโอคะหรือทิฏฐิตัวนี้แหละทําให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้โดยสําคัญทิ่ว่ากรรมวิบากและกิเลสเหล่านี้เป็นเป็นอัตตาเป็นต้นนั่นแหละเป็นเที่ยงไม่เที่ยงขาดศูนยนี่แหละด้วยอํานาจของทิฏฐิ แล้วก็ต่อไปนะโอคาที่สามก็คือพวคพะภวะบวกโอคะคือพวคพะภวะตัวนั้นเป็นชื่อของภพแต่หมายถึงโลภะที่ไปยินดีในรูปประพบและอรูปประพบตรงนี้ไม่ไม่ใช่ส ต, รรติสติสติแต่หมายถึงโลภะทิฏฐิขตวิปยุทธอย่างเดียวเจนผ่านที่เป็นอพวคาโบราณอาจารย์ท่านอธิบายอย่างนั้น อันตัวภาวะตัวนั้นหมายถึงโลภะทิฏฐิขตะวิปปยุตนะที่ไปยินดีในรูปประชานอรูปประชานหรือว่ายินดีในรูปประพบอรูปประพบเพราะ่าทิฏฐิตัวนั้นก็อยู่ในที่โถคะละแต่ถ้าตันหาสามเนี่ยกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยภวะตันหาตัวนั้นเนี่ยเกิดร่วมกับสัตตทิฏฐิคนละในกันคำพ้องๆกันเยอะถ้ามีตัณหาก็ศึกษาต่อไปได้สบายสบายเลย สุดท้ายนะอวิโชคะสิ่งที่ทําให้สัตว์จมลงในวัฏสงสารคืออวิชาต่อไปนะบุคคลย่อมข้ามอันธนกคือสงสารสงสารนี่คืออะไรลําดับแห่งขันธาตุอายตนะเป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารสังสาระ ส, ส, สงสารนี่อันเดียวกันหมายถึงเนี่ยจากเห็นไปได้ยินจากได้ยินไปนึกคิดจากนึกคิดไปดมกลิ่นนี่แหละที่สลับไปแบบนี้แหละเรียกว่าสังสาระล่ะ ก็บอกโอ้โยโยมนี่เบื่อห น, หน่ายในวัตฏะสงสารเต็มทีแล้วแต่ว่าแน่ยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเบื่อหรือว่าชอบกับไม่รูเพราะขณะที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนั่นก็สังสาระเหมือนกันเพราั้นสังสาระเนี่ยขนาดไหนบ้างชีวิตของเราไม่ใช่สังสาระมีไห ม, ไ ม, มไม่มีเลยทุกอย่างเป็นสังสาระหมดนะนั่งกระพริบตากระพริบกระพริบยังสังสาระเลยแม่แต่ทํากุศลแม้แต่ทํากุศลก็ยังอยู่ใน สังสาระเหมือนกันเพราะเป็นขันธาตุอายตนะที่ลำดับสืบเนื่องกันไปแบบนี้ต่อไปนะย่อมล่วงทุกในวัตตะบ้างไอคำว่าผู้ที่มีความเพียรใช่ไหมบุคคลจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรทุกในที่นี้ก็คือวัตตะทุกวัตตะทุกทุกในวัตต ะ, ะถามว่ามนุษย์เนี่ยเป็นกุศลรือิกใช่ไหยเป็นปะเกิดด้วยกุศลใช่ไหมถามว่ามีทุกไหม ชาติทุกชราทุกขพญาที่ทุกมรณะทุกโสกะทุกปริเทวทุกอุปาญาทุกโอ้นะถ้าเอาเรื่องทุกมาว่าจริงๆเดี๋ยวเรียนปฏิจจัสมุปบาทเอาทุกเป็นพันๆน่ะมาว่าให้ฟังจริงนะอยู่ในกองทุกแต่ไม่รู้จักทุกประมาณยังนึกโอ้พระพุทธเจ้าทําไมท่านรู้ขนาดนั้นก็ไม่รู้ต่อไปนะย่อมบริสุทธิ์จากมลทินคือกิเลสบ้างบริสุทธิ์ด้วยโอเคบริสุทธิ์ด้วยอะไรคะ บริสุทธิ์ด้วยปัญญาใช่ไหมก็คือบริสุทธิ์จากกิเลสนั่นเองแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่เชื่อการข้ามโอคะย่อมไม่แล่นไปคือถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ศรัทธาในสิกขาเป็นต้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะบรรลุอะไรใช่ไหมประมาทด้วยการปล่อยจิตไปในการมคุณทั้ง5เชื่อว่าย่อมไม่ข้ามอันธนกคือสงสารได้ เพราะตนเนี่ยคล่องและเกี่ยวข้องอยู่ในการมาคุณทั้ง5นะผู้ที่มีจิตใจเกี่ยวข้องอยู่ในการมคุณทั้ง5คนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทก็ไม่สามารถที่จะข้ามอันธนพคือสังสารวัตได้เพราถ้ายังติดในการมคุณอยู่ก็บอกผู้ใดยังติดในปัทวีธาตุผู้นั้นก็ไม่พ้นจากปัทวีธาตุก็คือโพธิภพใช่ไหมถ้ายังติดในสี<ม>ก็ไม่พ้นจากสียังติดในเสียงก็ไม่พ้นเสียงถ้ายังติดในกลิน่นก็ไม่พ้นกลิน่น ถามว่ายังไงไปทุบกลิ่นให้มันแตกใช่ไหมไม่ใช่ละชันธราคะคือความยินดีในกลิ่นเป็นต้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้านักบวชนี่ถ้าเกิดไม่ศรัทธานในศีลสิกขาก็เป็นอันว่าจบจบกันเลยบอกว่าผู้เกียรติคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์เกลื่อนกลนด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายคนขี้เกียรตินี่ก็รู้ไหมหมกมุ่นถามว่าคนเกียรคร้านในผู้าศาสนาคนเป็นเป็นคนลักษณะไหน คือคนที่ปล่อยให้หนึ่งการมวิตกเกิดขึ้นบ่อยๆนะตรึกถึงการมาคุณมากสองพยาบาทวิตกนิยมโกรธอัธยาศัยน้อมไปในความโกรธอย่างเงี้ยเรียกคนขี้เกียจนะคนที่นึกเบียดเบียนคนอื่นมากๆลักษณะนี้ถือว่าคนเกลียดคร้านเพราะว่าผู้ที่ไม่มีความเพียรก็คือไม่เพียรกำจัดอกักุศลวิตกเจ น, นิรก็ถือว่าเป็นคนเกลียดคร้านมีความเพียเรเลวซามในศาสนานี้ นี่เป็นความหมายของพระพภูมิพระภาคแต่เป็นความหมายของเรานะถ้าหากว่าเรื่องนี้ก็หมายความว่าใครเกียรติข้านก็ชอบนอนเจ้ริภาติดในเรื่องเจริภานนอนเกียรติทำงานนี้ใช่พระ อ, องค์บอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดปล่อยใจให้เป็นไปกับอกุส ล, ลวิตกหลับยังจะเลวน้อยกว่างแต่พระ อ, องค์บอกว่าไม่สรรเสริญการหลับเพราะการหลับเนี่ยเป็นเป็นหมั น, น, นคือความหลับนั้นไม่มีผลงอกเงยอะไรเลย แต่พระองค์บอกว่าถ้าหากว่าตื่นแล้วเป็นบาปนะหลับยังเร็วน้อยกว่านั่นแหละก็มีคำพี์หนึ่งเหมือนกันบอกว่าถ้าเนรถ้าหากว่าเรียนถ้าทำคําสอนเพื่อมุ่งลาบสักการะนะท่านบอกไปหลับยังดีกว่าอย่างนั้นอท่านบอกว่าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการเกียดติคาร์เนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ด้วยอํานาจอกุศลแต่ที่นี่ว่าโลภะเนี่ยร้อนไหมร้อนแต่ที่นี้ว่าใครรู้ไม่รู้ก็ตามมันก็ร้อนมันไม่เล่นมันไม่เผาให้เห็นวันนี้ เดียววันต่อๆไปมันก็จะมาเผาให้เห็นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดติดแล้วไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ไม่มีเพรา ะ, ะเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์หนึ่งสิ่งนั้นจากเราไปสองเราต้องจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องทุกข์อยู่แล้วถามว่าโลกนี้มีอะไรถาวรไหมอะไรเที่ยงมีไหมไม่มีคําว่าโลกโลกเนี่ยคือแปลว่าสลายไปหรือทำแตกดับหรือแตกทําลายไปเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยที่เที่ยงไม่มี ผู้ไม่มีปัญญาย่อมไม่รู้ทางบริสุทธิ์นะก็คือไม่มีกรรมสกตาปัญญาไม่มีวิปัสนาปัญญาไม่มีมัคคปัญญาเนี่ยก็ไม่รู้ทางบริสุทธิ์ก็ย่อมไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสแสดงธรรมอันเป็นปฏิปัติ ต, ต่อความไม่มีศรัทธาเป็นต้นจึงตรัสดังนี้ด้วยคาถานั้นคาถามเมื่อกี้เนี่ยท่านสงเคราะห์ให้ฟังนะลองฟังดูว่าเราเนี่กล้าคิดขนาดนี้ไห ม, มว่า แม้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเพราะสัตทินรียเป็นประฐานแห่งโสดาปฏิยังคะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประกาศการการข้ามที่ทถโถฆะคือโสดาปฏิมัคและโสดาบันด้วยบทนี้ว่าบุคคลย่อมข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธาคำนี้หมายถึงโสดาบันนะโสดาปฏิมักนะเพราะว่าศรัทธาหรือสัตทินทรีย์จะบริบูรณ์ที่ในโสดาปฏิยังคธรรม ครบสัตบุตรสองฟังธรรมของสัตบุตรสามโยนิโสมนัสิการะสปฏิบัติธรรมสมควรแกธรร่ธทำนั่นแหละเราะนั้นศรัทธานี้จะมีบริบูรณ์ที่โสตาปฏิยังฆ่าธรรมก็พระโสดาบันถึงพร้อมแล้วด้วยความไม่ประมาทกล่าวคือการกระทําติดต่อด้วยการเจริญกุศลธรรมยินดีมักที่สองย่อมข้ามอันธนพคือสงสารอันเป็นที่ตั้งแห่งพโวคะ อันข้ามไม่ได้ด้วยโสดาปฏิมักที่เหลือยกเว้นเหตุสักว่ามาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงทรงประกาศการข้ามพระโวคะคือสกธาคามิมักและสกะทาคามีด้วยบทนี้ว่าย่อมข้ามอันธนกได้ด้วยความไม่ประมาทอันความไม่ประมาตตัวนั้นหมายถึงสกธาคามิมักสกทาคามีผลนะในคาถา น, นั้นใส่ลงไปเลย แล้วต่อไปเพราะพระสะกทาคามียินดีมรคที่สามย่อมล่วงทุกข์อันเป็นที่ตั้งแห่งกามโมคะและที่สำคัญว่ากามโมคะอันข้ามไม่ได้ด้วยสะกทาคามีมรคเพราะเหตุนั้นจึงทรงประกาศการข้ามกามโมคะคืออนาคามิมรคและพระอนาคามีด้วยบทนี้ว่าย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร น, นั่นแหละหมายถึงพระอนาคามีก็พระอนาคามียินดียิ่ง มัคคปัญญาที่สอันเป็นอันบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ซึ่งปราศจากเปลือกตมและมนทินอันละเอียดกล่าวคือวิชาอันละไม่ได้ด้วยอนาคามีมักเพราะเหตุนั้นจึงทรงประกาศการข้ามอาวิโชคะคืออรหัตตะมักและอรหัตตผลด้วยบทนี้ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา ที่ท่านเราไม่ได้อาศัยอธัธกถาหนีอ้อสามัญท่านนี่เราอ่านแป๊บเดียวเจตพันจบเรียบร้อยแล้วจบเลยไม่เคยรู้เรื่องไม่เข้าใจจริงจร่วงทุกข์ด้วยความเพียรเนี่ยทุกไหนเอาบอกว่าร่วงทุกข์ด้วยความเพียรอาถรมา น, นอนเป็นไข้โรงพยาบาลี่จะร่วงยังไงล่วงทุกข์ด้วยความเพียรจะทํายังไงเพียกินยาหน่อยอ๋อแค่นั้ น, น่แหละโอ้ยไม่กินเขาหมอก็ให้กินอยู่แล้วคือคือคือก็เข้าใจ เข้าใจอย่างนั้นนะส่ว น, นใหญ่นะถ้าคนไม่ศึกษาธรรมะก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับเจนพรไม่นึกถึงสัมมาประธานสนะี่เนาะเจนพรน้อยอทีนี้ต่อไปนะว่าบุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไรย่อมได้ทรัพย์อย่างไรย่อมได้ชื่อเสียงอย่างไรย่อมผูกมิตรทั้งหลายไว้ได้อย่างไรบุคคลละจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วย่อมไม่เศร้าโศกอย่างไรพระองค์ตรัสว่าบุคคลเชื่อธรรมะของพระอรหันต์ทั้งหลาย เนะชื่อเองและศรัทธาแล้วศรัทธานี่ซ้ำบ่อยนะบุคคลเชื่อธรรมะของพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อบรรลุนิพพานเป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญาเครื่องสอดส่องฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาคุณนะสุสุสังล ะ, ะเตปัญญงังเหมงอนกันได้ยินบ่อยนะโฆษณาฟังธรรมเนี่ยส่วนมากเอาคาถานี่แหละไปสุสูสังล ะ, ะเตปัญญงังเหมือนกันฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเหมือนนบุคคลผู้มีธุระ กระทำสมควรมีความหมั่นย่อมหาทรัพได้คนขยันก็มีทรัพนะบุคคลย่อมได้ชื่อเสียงด้วยสัจจะผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ผู้มีศรัทธาไอผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือนมีธรรมะสี่ประการนี้คือสัจจะสัจจะก็ค้นธรรมะทิติจากขะผู้นั้นแลละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก องตัดแต่ว่าถ้าว่าเหตุแห่งการได้ชื่อเสียงยิ่งกว่าสัจจะก็ดีเหตุแห่งการได้ปัญญายิ่งกว่าธรรมะก็ดีปัญญาก็คือธรรมะนะเหตุแห่งการผูกมิตรได้ยิ่งกว่าจาระก็ดีเหตุแห่งการหาทรัพย์ได้ยิ่งกว่าขันติก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไซเชิญท่านถามสมณะพรามณ์เป็นอันมากแม้เรล่าอื่นดูเถิดพระงค์พพุทธเจ้าเนี่ยทาให้ไปถามคนอื่นได้เลยว่า ง, งั้นยักษ นะทึ่งบอกว่าบุคคลใดข้ามโอคะทั้งสี่ได้โอค่าสก็คือประกอบคําว่าโอค่นี่แปลว่าท่วมทับเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติที่ท่วมทับเบียดเบียนธรรมชาตินั้นชื่อว่าโอคะหรือธรรมชาติที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้จมลงในวัฏฏสงสารนะตัวที่สามารถยังให้เราเนี่ยจมลงในวัฏฏสงสารอันนั้นเรียกว่าโอคะ โกค่ามีอยู่สี่ประการด้วยกันหนึ่งกามโมคะ น, นะความท่วมทับหรือว่าสิ่งที่ทำให้สัตว์จมลงคือกามกามที่นี้องค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ประกอบกับโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงแต่ตัวนี้แหละที่ทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏจักงทิโธขะทาให้สัตว์จมลงในวัฏจคือทิฐิ ทิฐิตัวนี้เนี่ยเป็นทิฐิ62หรือว่าสักายะทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัตะก็อะไรคือวะตะัตฏะยขณะนี้เป็นวัฏฏะไหมจากครูวิญญาเนี่ยเป็นวิปากวัฏขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล น, นั่นแหละเป็นกรรมวัฏพอวิบากเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดกิเลสเรียกว่ากิเลสวัฏเพราะฉะนั้นไอตัวโอคะ หรือทิฐิตัวนี้แหละทให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้โดยสําคัญผิดว่ากรรมวิบากและกิเลสเหล่านี้เป็นเป็นอัตตาเป็นต้นนั่นแหละเป็น เ, เที่ยงไม่เที่ยงขาดศูนย์เนี่ยแหละด้วยอานาจของทิฏฐิแล้วก็ต่อไปนะโอคาที่สามก็คือพโวคะภาวะบวกโอคะคือพโวคะภาวะตัวนั้นเป็นชื่อของพบ แต่หมายถึงโลภะที่ไปยินดีในรูปะพบและรูปะพบตรงนี้ไม่ไม่ใช่สัสตตาทิฏฐิสัสตตาทิฏฐิแต่หมายถึงโลภะทิฏฐิขตะวิปยุทธ์อย่างเดียวเจนานที่เป็นอภโขโบราณอาจารย์ท่านอาธิบายอย่างนั้น ตัวภาวะตัว น, นั้นหมายถึงโลภะทิฏฐิๆขตาวิปยุตนะที่ไปยินดีในรูปประชานอรูปประชานหรือว่ายินดีในรูปประพบอรูปประพบเพราะว่าทิฏฐิตัวนั้นก็อยู่ในที่โะขาแล้แต่ถ้าตันหาสามเนี่ยกามาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยภาวะตันหาตัวนั้นเนี่ยเกิดร่วมกับสัตตทิฏฐิคนละในกันสสคำพ้องๆกันเยอะถ้ามีตัณหาก็ศึกษาต่อไปได้สบายๆเลย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 สังสาระแหละเขาบอกโอ้ยโยมนี่เบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารเต็มทีแล้วแต่ว่าเน่ยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ยังไงมันก็ไม่รู้ว่าเบื่อหรือว่าชอบก็บไม่รูเพราะขณะที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนั่นก็สังสาระเหมือนกันเพราั้นสังสาระเนี่ขนาไหนบ้างชีวิตของเราไม่ใช่สังสาระมีมไม่มีไ ม, มไม่มีเลยทุกอย่างเป็นสังสาระหมดนะนั่งกระพริบตากระพริบกระพริบยังสังสาระเลยแม่แต่ทํากุศลแม้แต่ทํากุศลก็ยังอยู่ใน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 เป็นประเกิดด้วยกุศลใช่ไหมใช่ถามว่ามีทุกข์ไหมมีชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะทุกข์ปริเทวะทุกข์อุปาญาทุกข์โหนะถ้าเอาเรื่องทุกข์มาว่าจริงๆเดี๋ยวเรียนปฏิจจสมุปบาทเอาทุกข์เป็นพันๆน่ะมาว่าให้ฟังจริงนะอยู่ในกองทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ต่อไปนะย่อมบริสุทธิ์จากมนทินคือกิเลสบ้างบริสุทธิ์ด้วยเมื่อกี้บริสุทธิ์ด้วยอะไรคะ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 เพราะตนเนี่ยคล่องและเกี่ยวข้องอยู่ในการมาคุณทั้งหนะผู้ที่มีจิตใจเกี่ยวข้องอยู่ในการมคุณทั้ง5้าคนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทก็ไม่สามารถที่จะข้ามอันธนพคือสังสารวัตรได้แปลว่าถ้ายังติดในการมคุณอยู่ก็บอกผู้ใดยังติดในปัทวีธาตุผู้นั้นก็ไม่พ้นจากปัทวีธาตุก็คือโพธิภพใช่ไหมถ้ายังติดในสี ก็ไม่พ้นจากสียังติดในเสียงก็ไม่พ้นเสียงถ้ายังติดในกลิ่นก็ไม่พ้นกลิ่นถามว่ายังไงไปทุบกลิ่นให้มันแตกใช่ไหมไม่ใช่ละฉันทราคะคือความยินดีในกลิ่นเป็นต้นเหล่านั้น